ทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาคสามโดยอาจารย์วศินอินทสระเรื่องกลัวบาปกล้าบุญบาปคือสิ่งที่ทําให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทําให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาป จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าฮิริคู่กับโอตปปะัะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกเป็นผลตอบแทนคนทำบุญไวมากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุข พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดคือไม่ควรจะมีข้ออ้างเพื่อจะทำบาปบางคนทำเพราะเรื่องของตนบางคนทาเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นเรื่องการฝึกตน การฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริง บุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุ ก, กรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกอันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกอันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุ ก, กรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเชื่อเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสัมรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาด้วยกันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกัน มนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสาคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกฝนตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดซึ่งบาลีว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้น การฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงเรื่องความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดจนถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นเรื่องความรักเปรียบด้วยพายุความรักความอะไรเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้น คนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกขมากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกหนึ่งมีรักสิบมีทุกสิบมีรักร้อยมีทุกร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักเหมือนไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจํานวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทําให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมปรารนาการไป ยิ่งความรักอันเจือด้วยนันที่ราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบ ป, ประณีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีรับความขมขื่น และไม่เพลิดเผลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเรื่องความสุขของสามีพัญญาความสุขของสามีพัญญานั้นอยู่ที่ความเข้าใจกันความรักที่ปราศจากความเข้าใจกันนั้นเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเปราะและทำลายง่าย แต่ความรักที่มีมูลฐานมาจากความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นความรักที่มั่นคงป้องกันการทะเลาะวิวาดได้อย่างดีที่สุดความรักที่มีมูลฐานมาจากความเห็นใจและเข้าใจกันจึงเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งนักถ้าใครคนหนึ่งจะแต่งงานกันก็น่าจะพิจารณาถึงความเข้าใจดีต่อกันยิ่งกว่าที่จะพิจารณาถึงความรัก เพราะความรักที่มีขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะแยกจากกันได้ห่างกันได้นั้นมีความคล่ผสมอยู่เป็นอันมากแต่บุคคลที่เข้าใจดีต่อกันจะรักกันไปเองเรื่องคุณธรรมสำหรับการทํางานในการทํางานนั้นสิ่งที่เราต้องใช้มากก็คือความเพียรความอดทนความเสียสละและปัญญาในการนี้ ปัญญาต้องเป็นตัวนำหน้าคอยสอดส่องวินิจฉัยตัดสินใจว่าควรจะทำความเพียรอย่างไรอดทนอย่างไรเสียสละอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดเข้าหลัก the law of the least effort ใช้ความพยายามน้อยแต่ได้ผลมากถ้าใช้ความเพียรพยายามมากและประกอบด้วยปัญญาจะให้ผลมากสักเพียงใดแต่ถ้าไร้ปัญญาอาจให้ผลน้อย หรืออาจนำไปทางโทษก็ได้งานที่ยากงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่จะสาเร็จได้โดยง่ายแม้เรามีความเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนทำไปจนกว่าจะสาเร็จอาจเป็นเดือนเป็นปี10ปี20ปีหรือแม้ตลอดชีวิตนี่คือเรื่องที่เราต้องเสียสละเพื่อบรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการปัญญาเหมือนไฟสองทางความเพียรเหมือนแรงขับเคลื่อน ความอดทนเหมือนความทนทานของเครื่องยนต์สติเหมือนพวงมาลัยหรือตัวควบคุมให้รถยนต์วิ่งไปในทางที่ต้องการไม่ให้พลาดทางพร้อมๆกันนั้นเราต้องมีจิตใจเสียสละสิ่งยั่วยวนอันชวนเชิญให้เราลุ่มหลงอันเป็นเหตุให้ออกนอกทางคุณสมบัติหรือคุณธรรมเหล่านี้เมื่อประมวลกันเข้าร่วมกันทําหน้าที่ก็จะช่วยให้การงานดําเนินไปด้วยดีเรื่อง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 ว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมเรื่องเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าการเชื่อถือมงคลภายนอกเป็นการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและทาให้สูญเสียคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาในข้อที่ว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่ต้องเชื่อมงคลภายนอก เพียงอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ถือมงคลภายนอกแล้วภิกษุสามมาเนรจะถือได้อย่างไรภิกษุสมัมมาเนรควรต้องสอนให้ชาวบ้านละไม่ใช่สนับสนุนให้ชาวบ้านถือความเชื่อในโหราศาสตร์ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรอะไรด้วยตนเองจะทำอะไรคอยจะถามหมอดูอยู่เรื่อยหมอดูนั้นผิดบ้างถูกบ้าง เรารู้ได้อย่างไรว่าข้อไหนถูกควรเชื่อถือข้อไหนผิดไม่ควรเชื่อถือเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านดำเนินชีวิตไปตามแนวเหตุผลและสติปัญญาจะมีดีกว่าหรือถูกก็ด้วยสติปัญญาของท่านเองผิดก็ด้วยความบกพร่องทางสติปัญญาหรือด้วยเหตุตา่างๆอันท่านและคนที่เกี่ยวข้องทำกันขึ้นมาเองเรายอมรับแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป ถ้าอย่างนี้ถูกก็ได้ปัญญาผิดก็ได้ปัญญาในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ดีที่สุดใครพูดอะไรสอนอะไรถ้าตรงกับของพระพุทธเจ้าก็เอาถ้าขัดแย้งกับของพระพุทธเจ้าควรเลือกเอาของพระพุทธเจ้าดีกว่าเรื่องดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคนมักโกรธทาให้เป็นคนคบยาก ไม่มีใครปราถนาเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วร้อนไม่เย็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธฉุนเฉียวเกลี้ยวกลาดมีจิตเหมือนแผลกระทบนิดหนึ่งก็เจ็บอักเสบไม่เหมือนเนื้อธรรมดาเข้าใกล้คนมาโ ก, กรธจึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเหมือนระวังเนื้อส่วนที่เป็นแผลไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้จึงทาให้ขาดมิตรถ้าเรานึกจะโกรธจะเกลียดใคร หากเคยทำความดีเคยเกื้อกูลกันมาก็ขอให้เราลึกถึงความดีของเขาให้มากเพื่อดับความโกรธของเราเสียอย่างที่พระสารีบุตรเคยโอวาทภิกษุทั้งหลายว่าให้ถือเอาส่วนดีของเขาไว้ทิ้งส่วนที่ไม่ดีไปเหมือนไปพบผ้าขา้าผืนหนึ่งดึงขึ้นมาดูแล้วตัดส่วนไม่ดีออกถือเอาส่วนที่ดีไปทำประโยชน์ตามต้องการขอให้คิดอยู่เสมอว่า คนเรานั้นดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดกล่าวคือคนที่ได้รับยกย่องว่าดีแล้วนั้นก็อาจมีส่วนชั่วอยู่บ้างเมื่อเขายังมีกิเลสอยู่ส่วนคนที่ใครๆตำหนิว่าชั่วนั้นก็น่าจะมีความดีหรือส่วนดีอยู่บ้างความคิดอย่างนี้ทำให้เราไม่ยกย่องคนเกินไปและไม่ดูหมิ่นทับถมคนบางคนเกินไปให้เรามีจิตเมตตาต่อเขาทั้งสองพวก ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราคนเราทุกคนย่อมรักตนความโกรธโทสะเป็นศัตรูเป็นอันตรายแก่ตนทำไมเราจึงหล่อเลี้ยงสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตนไว้เล่าขอให้สั่งสอนตัวเองหนึ่งเนืองการสอนตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นสอนเพราะเราอยู่กับตัวเราเองและเห็นพฤติกรรมของเราเองอยู่ตลอดเวลา คนอื่นใครเล่าจะเฝ้าดูแลสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องนินทาสันเสริญชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสันเสริญ น, นั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเรา บางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นสะดาวมันก็ไม่เป็นสะดาวตามคำทักในทางตรงข้ามก็เหมือนกัน ใครทักเะดา ว, ว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทาความเลวเขาด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์ คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้ เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้าย บัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเข้าเป็นคนเลวเลวตรงไหน เร็วตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเร็วนั่นเองบันดิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในธรรมนองคลองธรรมอันควรแล้วก็คอยทาความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อไม่ให้กังวลเกินไป จะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อทำเรื่องปกติของคนเป็นอย่างไรปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกากับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงาน ความกล้าหาญและเรียวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุสามอย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและโยนิโสมาสิการเรื่องเป็นผู้รู้จักการผู้รู้จักการคือรู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ การกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทสะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุสิบเอดสบสองปีก็จับแกแต่งงานใช้แล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทาอย่างเดียวกัน ถ้าทำถูกการอาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหวานคลาดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาสินเมื่อใหญ่เมื่อชราก็หมั่นทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้น ถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดีมัททริทตี้คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกะลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ ยังต้องคอยให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อมกาละและเทศะจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเรื่องเป็นผู้รู้จักประมาณความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิน้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทางานความพยายามเป็นต้นต้องให้เป็นไปพอดี จึงจะดีย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราแต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียว ให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่า ห, ากหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการครบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็ว และอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเหินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจครบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักด้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทานองตาหนิ ไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจเรื่องผู้รักตนการทำความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังความชั่วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ความชั่วย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เรา คนผ่านทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ด และไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวเรื่องฝึกตนให้อดทน การอยู่ร่วมกับคนมากๆย่อมจะมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่มีคนพูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนหาความสุขความสนุกด้วยการพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอายบางคนถือเอาคำพูดของตนเป็นมีดคมสำหรับไว้เชื้อเฉือนผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วย สำหรับให้คนผ่านผู้ชอบพูดชั่วๆวไว้เชือดเฉือนตนเองตามในนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชื่อดเฉือนผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชื่อดเฉือนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมเพราะฉะนั้น คนดีจึงต้องอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองๆ เ, เพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความคะนองบ้างด้วยความริษยาบ้างการหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิด คนบางคนอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกอดทนต่อคำร่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงว่าจะทะเลาะกันบางพวกอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่าเพราะเห็นคุณานิสงของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุด การอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกันไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์เดระจฉานคือท่านว่าสาัตว์เิระจฉานเป็นต้นว่าช้างมา้าโคสุนักเป็นต้นที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นและยังประเสริฐกว่ามนุษย์ด้วยกันอีกด้วย สัตว์ที่ฝึกอย่างดีแล้วจึงควรนาไปสู่ที่ชุมนุมชนคนก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วจึงควรเข้าสังคมได้มิฉะนั้นจะทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มาจากคนที่ไม่ได้ฝึกตนทั้งสิน้นวิธีฝึกตนให้อดทนก็คือการทนอดนั่นเองกล่าวคือไม่ตามใจตัวเองในเหตุอันไม่ควรตามใจ เช่นการกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยความเกียดคร้านในการทำงานการหาความสุขจากอบายมุกต่างๆมีสุราและการพนันเป็นต้นพิจารณาอยู่เสมอทุกครั้งในการทำว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดทนแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรทำ ทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยพรบนพื้นฐานของคุณงามความดีบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการคือปัญญาความเพียรอินทรียสังวรและการปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้รับความโปร่งใจ ประสบความสุขสวัสดีในทุกสถานในการทุกเมื่อผู้มุ่งความสุขสวัสดีจึงควรพอกพูนทำสี่ประการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อตนบริบูรณ์ด้วยธรรมแล้วธรรมก็จะคุ้มครองให้มีความสุขสวัสดีเหมือนคนผู้สมบูรณ์ด้วยอาหารอาหารนั้นย่อมหล่อเลี้ยงให้เขามีร่างกายแข็งแรงต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ การให้พรกันในวันปีใหม่นั้นผู้มุ่งรับพรควรประพฤติคุณงามความดียางใดอย่างหนึ่งและอธิษฐานขอพอรการขอนั้นอาจสำเร็จได้บนพื้นฐานของเหตุคือคุณงามความดีไม่ใช่พรจะสำเร็จได้อย่างลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยการส่งบัติอวยพรกันนั้นก็เป็นประเพณีที่ดี คือแสดงถึงความระลึกถึงกันและมีความปรารถนาดีต่อกันอาการแห่งจิตที่มีความปรารถนาดีต่อกันหรือมีเมตตาต่อกันนั้นเป็นพรของชีวิตอยู่แล้วถ้ามนุษย์เราในสังคมมีความปรารถนาดีต่อกันยังสม่ำเสมอแล้วภัยอันตรายต่างๆก็จะไม่มีทุกคนก็จะถึงความสวัสดีโดยทั่วนหน้าผู้ต้องการความสวัสดี เมื่อดำเนินตามทางแห่งความสวัสดีย่อมประสบความสวัสดีเหมือนผู้ต้องการดอกไม้ถ้าเข้าไปในสวนดอกไม้ย่อมได้ดอกไม้ตามประสงค์ฉะนั้นเรื่องพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า anxiety ซึ่งหมายความว่า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 กลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภัยในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่นึกกลัวไปบางคนกลัวโรคเสียจนเป็นโรคคือเป็นโรค ก, กลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนั้นเกสบเปอร์เซ็นไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่า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 เพื่อความดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแต่ปลาสมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความเทยทะยานย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องเพียรทำงานเพื่อผลที่งอกงามคนมีความเพียรชอบสแสวงหาความสุขจากการทำงานเห็นงานเป็นเทพประวดเทพธิดาเป็นพระเจ้าที่จะอาํานวยสวัสดิมงคลให้แก่ตน ต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกําลังเรี่ยวแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทั้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหน่งตนเองเมื่อระลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทำเราแบ่งหน้าที่กันแล้ว ถ้าใจแลบไปหาผลบ่อยๆจะทํางานไม่ได้ดีเมื่อเป็นดังนั้นเหตุก็จะเสียผลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญยิ่งคือจะทําให้ใจกระวนกระวายอยู่เสมอคนจะทําความเพียรได้สม่ําเสมอคือวิริยารมภะก็ต่อเมื่อมีความเชื่อคือศรัทธาและมีความรู้คือญาณที่ว่าต้องมีความเชื่อนั้นคือเชื่อมั่นว่า ความเพียรที่ทำแล้วไม่ร้ายผลจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นอันหนึ่งไม่ควรต้องการผลเพื่อตนอย่างเดียวหากว่าผลแห่งความเพียรของเราไปตกอยู่ที่คนอื่นหรือแก่สังคมก็ควรพอใจผลอย่างนั้นจะยั่งยืนกว่าผลที่ตกอยู่แก่เราเป็นส่วนตัวเสียอีกที่ว่าต้องมีอย่างหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวตราโดยรอบคอบ อย่างลงลึกและกว้างว่าควรทําความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเหมาะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าทําความเพียรถูกเรื่องถูกกาละเทสะไม่เป็นทํานองรีดนมวัวจากเขาโคคั้นน้ํามันจากเม็ดทรายหวานพืชบนหินแต่รีดน้ํานมโคจากแม่โคนมคั้นน้ํามันจากเมล็ดพืชที่มีน้ํามัน และหวานพืชดีในานาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่ะงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำเรื่องมีความอดทนและอภัยผู้คบหาสมาคมกันนานอาจพลั้งเผลอร่วงเกินกันด้วยกายบ้างวาจาบ้างโดยเจตนาบ้างโดยไม่เจตนาบ้าง ผู้ประสงค์จะถนอมมิตรไมตรีจึงควรมีความอดทนอดกลั้นรู้จักข่มใจไม่เอาโทษเพื่อนแต่ให้อภัยในความพลั้งพลาดบอกให้เขารู้ตามเป็นจริงว่าเขาผิดพลาดไปอย่างไรมากไปหรือน้อยไปอย่างไรพยายามแก้ไขส่วนที่บกพร่องข้อบกพร่องบางอย่างซึ่งเราไม่ชอบเขาแก้ไม่ได้จริงๆก็ปล่อยไปถ้าส่วนดีของเขายังมีอยู่มาก เราก็พอใจในส่วนดีนั้นถ้าเป็นข้บอบกพร่องที่เรารังเกียจ ม, มากบอกให้เขาแก้ไขแล้วเขาไม่ยอมแก้ด้วยที่ถมานะหรือโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของเราว่าเราต้องทุกข์ทรมานกับข้บอบกพร่องของเขาเพียงไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเลิกคบสนิทกับเขาเสียก็ได้คบแต่ห่างๆเมื่อจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันเรื่องไม้ใหญ่ร้ใบ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 ทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้าบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตรนีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตรณีลาบเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหวานพันข้าวลงในานาเก็บพันข้าวไวจนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้น บางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายคนตรนีไม่มีใครต้องการครบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่ยังว้าเวเดียวดายบุคคลผู้ตรนี ได้ซั์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกระปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตรีเหมือนน้ำที่ไหลเอือยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหารั์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทาได้ดังนี้ ขอย่อมรดรับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์เรื่องยกยอจะกินปลาความจริงการดินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีก เพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนนินทาและสรรเสริญทาให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดินทาหรือสรรเสริญของคนผ่านนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนผ่านติหรือชมตามอารมณ์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 และสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตาหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไร ถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจซสอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากลางร่มคือทำเอาไว คำติดเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีเรื่องรักษาวาจาวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสาคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคำหมายความว่า ต้องการถ้อยคำที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิ้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดหล่ะแหละเลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระมิได้ในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิต ย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จมีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขมากขึ้น การพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทําให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคําหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนร้อนหูระคายก่อความเสียหายทําลายมิตรการพูดสมานสามัคคี ทำให้คนแตกแยกกันกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก็ให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหันษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทาง อ, อ้อมการพูดดีมีประโยชน์แทนการพูดหลาะแหล่ลยยอมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดหรือผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญ ผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดหลอแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดหลอแหละเสพคุณมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดหลอะแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้ การรักษาวาจาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรื่องหลุมพรางชีวิตในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอํมพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดไม่เข้าใจและตกลงไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้น มีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทำต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้น กรรมต่างๆที่บุคคลทำแล้วทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุขงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กาลังให้ผล ส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่าเพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี้ตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห้วงเหวแห่งความชั่วร้ายเข้าสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่ แต่เมื่อกรรมดีถ้าเขาเคยสร้างไว้หมดกําลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มีญาณ น, น้อยย่อมพิสวง์ว่าเหตุฉะไหนก ร, รมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์ หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ ร, รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกทรมนัดเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไหม แต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเพลากาลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไป ไม่ควรหมดกาลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลืองเป็นประมาทควรมีสติและยาณควบอยู่กับการดาเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและญาณละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลา จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคือรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดเรื่องเห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษตนี้เล่งในทางปฏิบัติคือมองให้เห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวและแตกดับไปเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้ แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์ บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงไม่อาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้เรื่องเหมือนมือไม่มีแผล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 ตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นหวัดแต่พอเป็นหวัดน้ำแข็งกลายเป็นของสแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์หงุดหงิดอยู่คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้เป็นพิษกับจิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนี้กระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้น เมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนียารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐานอารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมทราบได้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 ทำให้เราต้องเสียใจอยู่เนืองเนืองอาจทำให้เราเสียคนไปด้วยเหมือนเอาทองแท่งไปฝนกับก้อนอิฐหรือหินหินไม่เป็นอะไรแต่ทองนั่นแหละจะกร่อนไปเองเสียทองเปล่าๆคนเรามีวิบากในจิตไม่เหมือนกันถ้ามีอกุศ ล, ละวิบากมากคือสะสมอกุศลไว ม, มากทั้งในอดีตชาติและปัจจุบัน จิตของเขาย่อมโน้มน้อมอไปในทางอากุศลในทางบาปในทางชั่วสอนให้ทำดีได้ยากเหมือนดัดหางหมาให้ตรงไปเจอคนอย่างนี้เข้าวางเฉยเสดีกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นลูกเราหลานเราเพื่อนเราหรือวงศาคณะญาติของเราไปเอาเรื่องกับเขามากเราเองนั่นแหละจะเสียคนเป็นโรคประสาทโรคหัวใจตายเสียก่อนที่เขาจะดีได้อย่างใจ เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนดีคืออยากให้คนอื่นดีโดยเฉพาะลูกหลานหรือคนที่อยู่ในความรับผิดชอบถ้าเขาดีไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์โทมนัสปลงใจไม่ลงสำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นทรงสอนใครเขาถ้าไม่เชื่อฟังก็จะทรงปล่อยและตรัสว่าเขาจาักปรากฏด้วยกรรมของเขาเอง เราในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ลองเอาพระปฏิปทานนี้มาใช้บ้างก็คงจะทำให้สบายใจขึ้นเรื่องอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันป้องกันโรคจิตการมีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันเป็นการป้องกันโรคจิตโรคประสาทได้ดีที่สุดนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างน่าพิศวงความทุกข์ใจส่วนมาก เกิดขึ้นเพราะบุคคลไปกังวลถึงอนาคตโดยไม่จําเป็นและเหลียวหาอาดีตหรือปรารถถึงอารมณ์ในอดีตจนชีวิตมีแต่ความหมุ่นหมองคลองเศร้าอยู่ตลอดเวลาบางคนเพ้อถึงอนาคตอย่างฟุ้งซ่านพอเวลานั้นมาถึงเข้าจริงสิ่งที่หวังไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเพราะเหตุปัจจัยไม่พอที่จะบันดาลผลให้เกิดขึ้นได้ก็เสียใจคลุ้มคลั่งเพราะผิดหวัง แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีเองเพราะอนาคตเป็นผลของปัจจุบันผู้ที่ปรองใจได้อย่างนี้ย่อมอยู่ด้วยวิปัสนาจิตและวิปัสนาปัญญากิเลสเบาบางความสุขก็มากความสําเร็จก็ตามมาแม้ไม่หวังก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดีอย่างแน่นอน เรื่องอุเบกขาต่ออารมณ์จิตของคนเรานั้นถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มากก็จะเกิดสภาพโอเวอร์โหลดทางจิตขึ้นทำให้จิตโกรนกวายร้ายความสุขสงบจึงควรมีอุบายถ่ายเทสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขาทำคือการวางเฉยต่ออารมณ์สุขทุกข์คือไม่รับอารมณ์เหล่านั้นไว้ ถ้าจาเป็นต้องรับไว้ก็ให้เป็นการชั่วคราวแล้วรีบเอาลงเสียความสุขเป็นสภาพเบาวกว่าความทุกข์เหมือนการบรรทุกสาลีส่วนความทุกข์เป็นเหมือนการบรรทุกหินสาลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุกอะไรเลยปล่อยจิตให้ว่างไม่สุขไม่ทุกข์สุขหรือพอใจก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งทุกข์ก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่ง ตรงกลางระหว่างสุขและทุกข์นั่นแหละดีที่สุดนั่นก็คืออุเบกขานั่นเอง